อัลอัมบิยะสุราที่ยี่สิบเอ็ดอายที่ห้ายาที่เก้าสบห้าวะฮารน على ق ر ي ت أهلكناهاأنهملايرجعون อันไปถึง ฮาอุไลอัลีฮะตันมาวรดูฮาวักุลลุมฟีฮาขอลีดูน99 95-99 ห้าอายะทลก่า <c oughs> สุราหาอัลอัมบียะพบยงังพบยงังสุรห์อัลอัมบียะที่21อายะที่595 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحرام على قرية أهلناها. وحرام على قرية أهلناها. أنهم لا يرجعون حتى إذا فتح حت يجوج وما جوج วะ ه ุ م ิ่งคุลฮะดะบินยันซิลูนว ل ดตารับ ا ่วงดุลพระวัดตาร ذ ا هي فإلهي شاخصة أبصار الذين كفروا. ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا. ياويلنا قد كنا في غفلة ٍََ من ِ هذا. بل ُ ن ا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله ِ ن ك م وما تعبدون من دون الله من دون ل l l a h حاصب جهنم أنتم لها واردو أنتم لها و ا ر و <ون> لَوْ ك َ ا ن َ ه َุลัยอَลเลาะห์ทำมารดูฮَวะคุลุมฟ ا ل ะข้ ل ลิดูวะคَุุมฟีฮะข้าลิดูอิมัลลอฮِอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ ن َอْลَอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ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 รับบีอาอูบุบิค ف มิ่งอาดับฟิลนาร์ว่าดับฟิลควบร์อั ل ลอฮุมะฟิ ي ف ฟิบด์นีว่าฟิ ف ีฟิสัมไ س ว่า ع ิ ي ีฟิบัซร์สัลามุอะลัพี่น้องที่ร่วมนมาสุบอ์ที่รักทั้งหลายครับเราต้องขอบคุณอัลลอ์นะที่อัลลอ์ให้เราอยู่ในเดือน ที่ประเสริฐที่สุดเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยทำแต่ของดีๆนะครับทําของดีเนี่ยของดีนี่คิดเองไม่ได้ของดีก็คือของที่อัลลอฮ์สั่งสองรูปแบบในการปฏิบัติต้องให้เหมือนกับที่ท่านอบดีได้สอนเอาไว้แล้วก็สามทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับ อีมานันวัติซาบันทำความดีต้องเป็นความดีที่ทำด้วยแรงศรัทธาแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอสุบฮานาูวาจาดาขอบคุณอัลลนี่รมอัลลอนผ่านมากี่วันแล้วเนี่ยสิบเอ็ดวายนะวายมากเลยจยุลเลยลคนที่อยู่กับอิบาดะต่ออัลลอฮเนี่ยสัมปะแพบเดียวนะครับ ขอบคุณอัลลอฮ์เป็น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราทบทวนคุรานนะครับเมื่อคืนนี้ผมไปไปงานที่หน้าสันติชนพบกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็บอกว่าตัฟซีดเนี่ยอยากจะให้ทําเป็นเล่มให้ทําเป็นเล่มเพราะว่า อยากจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ฟังอย่างเดียวต้องอ่านด้วยอวบอกหาคนมาหาคนมาแล้วก็หาเด็กเด็กหนุ่มหนุ่มสักสองคนสามคนเนี่ยให้ถอดเทปอ่ะนะแล้วก็ค่อยบันทึกค่อยเขียนมีหลายคนอยากจะให้ที่เราสอนตอนเช้าเช้านี่อาทิตย์ละครั้งนี่นะออกเป็นหนังสือเป็นตำซี่อานก็เป็นความคิดที่ดีนะขออนุอาต่อนเลาะให้กูที่คิดแบบนี้นะ่ะให้ได้ทำให้สาเร็จนะครับ ขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้มีโอกาสได้ทบทวนกุรอานในบ้านของอัลลอ์ทบทวนกุรอานตรงไหนก็ได้แต่ที่ดีที่สุดที่บ้านของอัลล์ุบฮานาหาูตาลาที่มัสยิดนะครับพี่นอ้องขอทวนอายะที่94เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสักเล็กเล็ ก, ลกน้อยน้อยนะฟามาย่ามัลมินัสซาลิฮะติวะฮวะมุมิน าาฟะลุา فلا كفران لسعيه وان له كاتبون الله أكبر ถ้ารู้ความหมายเนี่ยเราได้กำลังใจเอาสรุปอีกนิดหนึ่งผู้ใ ด, ดที่ประกอบส่วนใดจากการดีทั้งหลายใครที่ทำความดีนะครับขณะที่เขาทำความดีนั้นวะฮูวะมุมินเขา หัวใจของเขานั้นเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺแสดงให้เห็นว่าถ้าทําความดีหัวใจของเขายังไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺความดีที่ทํานั้นอัลลอฮฺรับไหมไม่รับไอ้ไม่พี่น้องอ่านกุรานก็ต้องได้ความรู้ตีมุมกลับบ้างใครที่ทําความดีนะครับจะเป็นความดี นะครับข้อหนึ่งข้ใดก็ตามว่าหัวมุหมินคนที่ทํานั้นหัวใจของเขาต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่มีเงื่อนไขเนี่ยคนทําความดีหนึ่งต้องรู้จักอัลลอฮ์ต้องเรียนเรื่องเตาฮีอัลลอฮฺอักบัดต้องรู้จักอัลลอฮ์ด้วยพอทําความดีโดยรู้จักอัลลอฮ์แล้วก็รู้จักสุนนะนาบีนี่นะเป็นไงครับฟะลากุฟรอนาลิซายฮิการ พยายามหรือการวิริยะของพวกเขาความเหน็ดเหนื่อยของเขาเถอลงทุนทำอ่ะแล้งเนี่ยเดินมาจากบ้านมามัสยิดมานมาซุโบเนี่ยแล้วก็นั่งฟังตับซีดเนี่ยใจไม่อยากจะหลับแต่ก็อืนั่งทนพี่น้องความอดทนก็ดีทุกๆุกก้าวที่เดินมาจากบ้านก็ทีนั่งในมัสยิดก็ดีพี่น้องทั้งหมดเหล่านั้นนะ ความพยายามของเขาจะไม่ถูกบอกปฏิเสธจะไม่ถูกปฏิเสธอัลลอฮ์รับเลยครับเห็นยังครับมีกุอานให้กำลังใจใเราตลอดเวลาครับทำความดีนั้นไม่ถูกปฏิเสธครับว่าอินน่าลาหูกาตีบูและเราเป็นผู้บันทึกอา้าวเห็นไหมไม่ถูกปฏิเสธด้วยยังถูกบันทึกอีกอัลล์อับัดนี่ไงพออ่นานคุณอ่านแล้วมันเพิ่มอ่ะ ตัวลงว่าที่เรานั่งอยู่ในมัสยิดนี่ถูกบันทึกจากอัลลอฮ์หมดเลยครับใครมาบันทึกเรารู้อยู่แล้วเมาัยกะที่อยู่ด้านซ้ายด้านขวาบันทึกอัลลอฮ์พี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่ทําความดีต้องมีเงื่อนไขสามเงื่อนไขที่สรุปไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนึเขาต้องอิมานต่ออัลลอฮ์สองทำความดีตามที่นบีได้สอนอย่าทําความดีคิดเอง ไม่ได้สามทำแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอะ์ความทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนี่คือเงื่งอนไขที่อุลมามะเขาสรุปบรรดาซอบ้านนบีสรุปให้ฟังว่าอยายะนี้มีอยู่สามประการประการที่หนึ่งทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิต์ต่ออัลลอฮ์ทำเพื่ออัลลอฮ์ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีจึงจะเรียกว่าเป็นอามันเจซอละตกลงว่า ถ้าหาบริสุทธิ์ใจแล้วไม่ตรงตามสุนนะนบีอัลลอฮ์รับไหมไม่รับถ้าไม่ตรงตามสุนนะนบีอัลลอห์ไม่รับ อ, อย่างเนี้ยยกตัวอย่างถือบวชเนี่ยไม่เอาสุนนะนบีมาใช้เลยถือบวช ด, ด้วยแล้วก็ด่าชาวบ้านอย่างนงี้อัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ก็ไม่รับแล้วอัลลอฮ์ก็อธิบายให้ผ่านนาบีบอกว่าใครที่มัลลามยดะกาลซูรีวะลมัลบิฮ ฟลายซาลิน ล, ลาฮิฮัจจ์ฟีอาียยดาดะอัตอัมบะารอบใครที่ถือศีลอดแล้วก็ไม่เลิกไม่ทิ้งการอินทาการทะเลาะกันการใส่ร้า ย, ายด่ากาันตบกันด่ากาันงานบวชของเขาอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาเขาได้เฉพาะหิวและกระหายเท่านั้นเองตั้งวันจากอัลลอฮ์ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นพอถือบวชแป๊บเนี้ยต้องเลิกให้หมดเลยนะทะเลาะกันไม่มี เมื่อวานนี้ยผมนั่งรถไปกับ น, นั่งกันไปหลายคนผู้หญิงก็เดินยืนนุ่งเกงขาสัน้นขาสัน้นขาสั้นหมดเมื่อวานเี่เราเนี่ยนะมองได้นมองครั้งเดียวนะมองครั้งที่สองไม่ได้นะเพราะมันยืนให้เรามองแล้วก็มองแค่ครั้งเดียวครั้งที่สองก็ต้องหลบหลบเล่นไม่หลบต้องหลบต้องฝึกหลบอยู่เมืองไทยเนี่ยต้องฝึกหลบไม่ใช่ฝึกจ้อง ฝึกจ้องยังไม่ได้ผ่านกูรหานยังไม่ได้ผ่านการอบรมยังไม่ได้ผ่านสุนัขนบีฉะนั้นต้องฝึกหล บ, ลบอย่างเดียวเลยเห็นปั๊บมองปัง๊บต้องก้มสายตาต้องฝึกก้มสายตาด้วยบางคนไม่เคยฝึกชีวิตเลยนะในชีวิตตัวเองเนี่ยไม่เคยฝึกเลยนะมันต้องฝึกนะแล้วก็บอกให้ลูกๆนบีเนี่ยเคยเห็นไซนาลีจ้องมองผู้หญิงนบีเอามือจับแก้มมาทีน่นั่นน่ะนบีเใช่ไหมอุมตูริลาฉะนั้นเราเป็น เป็นพ่อคนนี้จะต้องสอนลูกทุกๆเรื่องนะครับเรื่องมองผู้หญิงนี่ก็ต้อ ง, ต, องต้องสอนนะหรือพ่อมองเองอ่ะไม่ทันทไม่ทันสอนลูกนะยอมองจ้องตั้งนานนะไม่หลบสักทีเอาวันนี้มืออาญาที่95นะครับพี่น้องวะฮะรอมุนอละลาะริยะจินอะหลักนาฮ أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ا l ح a د لله بن องอัมดูสับและห้ารำมัเป็นที่ห้าม พระรามบอกว่าเป็นที่ห้ามอาญากรย่าจินแก่ชาวเมืองกริยา่าวัติตบนชาวเมืองก็ได้ตำบนก็ได้หมู่บ้านก็ได้นะครับเป็นที่ห้ามแก่ชาวตำบนหรือชาวเมืองใดอหลคนาฮะที่เราได้ทำลายเมืองใดตำบนใดหมู่บ้านใ ด, นดที่เราได้ทำลาย พอทำลายไปแล้วเป็น้องครับอันาฮุมแลายาโจเอลแน่นอนพวกเขาจะไม่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกบนโลกดุนยาใบ น, นี้เป็น้องครับอา่านกุรอ่านอนย่านนี้ต้องอาศัยตั f ซ i r อุาอลมามะได้อธิบายไว้อธิบายอย่างนี้นะครับอิมามกุตตบีอธิบายบอกว่า หลังจากตายไปแล้วหมู่บ้านใดก็ตามคนในหมู่บ้านนั้นถูกอลัลลอฮ์ลงโทษ <c oughs> เช่นฟ้าผ่าแ <c oughs> ผ่นดินไหวน้ําท่วมหนีไม่ทันตายหมดนะอย่างพวกเอายกตัวอย่างง่ายๆก็หมู่บ้านอะไรที่ของนบีลุตนะหมู่บ้านโซดูมใช่ไหมนะที่นบีลุตนะอัลลอฮ์พลิพกแผ่นดินนะ่เอาข้างบนลงข้างล่างข้างล่างขึ้นข้างบนเนี่ยคนตรงนั้นนะ่ตายเป็นแสนนะวันนั้นนะ่ะ ถามว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยโอกาสกลับตัวมีไหมไม่มีครับนั่นคือการลงโทษของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์เล่าให้เราฟังว่าหมู่บ้านใดก็ตามถ้าคนในหมู่บ้านนั้นอัลลอฮ์ลงโทษเพราะความผิดของพวกเขาเพราะผิดแล้วไม่ยอมตอบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อันนาหุมลายะรอเยอแน่นอนพวกเขา จะไม่กลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคำว่าฟื้นขึ้นมาอธิบายยังไงพี่น้องครับไม่สามารถที่จะกลับตัวได้ยัดเยียเนี่ยแปลว่าฟาื้นขึ้นมาคําอธิบายก็คือไม่สามารถที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้แล้วเมื่อถูกลงโทษแล้วเนี่ยโอกาสเตาบ้าตัวมีไหมไม่มีแล้วทําไมอัลลอฮฺจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังในกา ร, รปีติกลอานเพื่อต้องการจะให้เรานั้นนึกอยู่ตลอดเวลาว่า เออบ้านเรานี่คนมันเรวมันเยอะยกตัวอย่างนะมีคนขายยาบ้าตั้งสิบรังคาเรือนยกตัวอย่างแล้วเด็กติดยาบ้านี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้แล้วก็เราอะ่ะเคยสอนไหมเคยอบรมไหมเคยเตือนเขาไหมเคยยับยั้งไหมเคยจัดกลุ่มไหมอะไรไหมเพื่อจะทำร้ายเพื่อจะยับยัง้งไม่ให้เด็กเนี่ยติดยาเสพติดเนี่ยผู้หลักผู้ยหญนั่งกันเฉยหมดเลยโอกาสที่จะถูกลงโทษมีไหมมีครับ พาถูกลงโทษพับเนี่ยไอ้คนที่ตายตรงนั้นเนี่ยนะโอกาสที่จะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้ไหมไม่ได้แล้วนี่สอนพวกเราวันนี้นะครับจะอยู่ตรงไหนก็าตามเมื่อเห็นของไม่ดีเกิดขึ้นในหมู่บ้านของเรานั้นช่วยกันระงับช่วยกันระงับอย่าให้อัลลอฮ์ลงโทษถ้าอัลลอฮ์ลงโทษแล้วนะครับพี่น้องจะมาสํานึกตัวจะมากลับเนื้อกลับตัวอีกไม่มีโอกาสนะ นะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะครับพี่น้องคำอธิบายก็คือท่านอิหม่ามฮะซันได้อธิบายบอกว่าเป็นที่ห้ามแก่ชาวเมืองใดที่เราได้ทำลายเพราะถูกลงโทษแท้จริงพวกเขาไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ตัวใหม่ได้อีกแล้วนึกถึงสุรยาซีนเมื่อเวลาเขาตายไปแล้วเนี่ยนะเวลาตายพาพ พอเอาจับใส่ลงปั๊บเนี่ยเห็นหมดเลยนะเห็นอัลลอฮ์เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการลงโทษเห็นรางวัลเห็นหมดเลยนะครับพอเห็นแล้วนะว่าไงรู้ไหมรับบานาอับบาซาลนาวาซาเมะนาฟรนาร์จีนาเนาะม ال ال ัลซาลิฮันอินนามุกินูนอัลลอฮฺจ้ฉันเห็นแล้วฉันได้ยินแล้วเนี่ยไปพูดตอนตาย นี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังคนตายพูดแบบนี้ร บ, บานาอาบออร์นาะเห็นแล้ววาสเมนาะไดยินแล้วฟรารเจียนาโปรดทรงเรากลับมาไหม่มาอยู่บนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอินนามูกีนูนอามันซอลิฮันฉันจะทำความดีอินนามูกีนูนเราเชื่อแล้วว่าหลังจาก อยู่บนโลกดุนยานี้ตายไปแล้วไม่เอาศาสนานะถูกลงโทษยังไงไปสํานึกตัวตอนไหนอ่ะไปรู้ตัวตอนไหนตอนตายแล้วแล้วก็ขอร้องอลัลลอฮ์เนี่ยขอบอกผ่านมาอะก้าให้แจ้งกับอลัลลอฮ์หน่อยให้คันกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งจะมาแก้ตัวน่ะถามว่าอลัลลอฮ์เคยสงค่งใครมาแก้ตัวไหมไม่มีเลยครับตายแล้วตายเลยนี่คนคนตายเล่าให้ฟังผ่านอลัลลอฮ์สุบฮ า, านะฮุวาตางครับรเพราะฉะนั้น ทำความดีต้องรีบทําความดีนะครับถ้าทําความดีแล้วพี่น้องครับถ้าจะมีอาสาบลงมาเราก็ตายในสภาพของคนที่มีาศาสนากับคนที่มี إ ม م ا ن ต่อ Allah อ, อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาจาล้บรรดาอุลามะชั่นท่านมุญาฮิตท่านฮัสซันได้อธิบายบอกว่าคนที่ทําชีริกก่อนตายเขาทําชีริก พอทำชัดอีกแล้วนี่นะไม่มีโอกาสที่จะกลับตัวมาเรียนเรื่องเตาเฮตของอัลลอฮ์ได้แล้วชัตันก่อนตายเนี่ยให้เรียนเตาเฮตเยอะๆให้เรียนเรื่องรู้จักอัลลอฮ์เยอะๆเรียนสิฟัดอัลลอฮ์นะสิฟัดอัลลอฮ์มีอยู่เท่าไหร่นะเกพระนามนาบีสอนบอกว่าใครที่ท่องจําสิฟัตของอัลลอเก้าสิบ9กพระนามเขาได้ไปสวรรค์นะวันนี้เราเองเนี่ย ยังเอ่ยซิฟาร์ตอลัลลอยังไม่ครบเลยใช่ไหมทั้งๆที่เขาว่าเป็นเป็นเพลงแล้วนะนะครับเด็กว่าได้แต่ผู้ใหญ่น่าจะจำด้วยพวกรยกะรต้องนึกถึงความหมายของมันอลัลลอฮมีสิฟาร์ตอะไรบ้างข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ทั้งหมดเก้าสิบเก้าพระนามด้วยกันนะครับพี่น้องเอาต่อมาอายาที่เก้าสิบหก ห َتَّى อِ ذا ฟُติฮَดยาจุจุวะมُจุ م วะหุมมิงคุลิฮะจับิยันซิลูนหัตถ์อิ ذا ฟุติฮยาจุจวะมะจ วะฮุมมิ่งคุลีฮะดะบินยันซิลูนอัลลอฮฺอักบัตมีชื่ออยู่สองชื่อใหม่ๆยะยุดกับมะยุศเราได้ยินได้ยินนะครับมีคนพูดเยอะพอเราอ่านคุร์อานเราเจอเนี่ยยะยุดกับมะยุศมาดูคำแปลกก่อนครับฮัตตาอิลาฟุติฮัต แม้กระทั่งคัดตาแปลว่าจนกระทั่ง <c oughs> เมื่อยะยูดและมะยูดฟุติฮัตแปลว่าถูกเปิดตอนนี้ยะยูดกับมะยูดเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้แต่ยังไม่ออกมาเพราะว่าภูเขาเนี่ยมันกั้นเอาไว้ภูเขานี่กั้นเอาไว้แล้วมันก็เจาะรูทุกวัน ต้องการที่จะได้นะ้าออกมาทําลายมนุษย์แล้วก็ยุลกนายนที่ได้ผ่านมาแล้วในสุรอัลก้าฟี่ที่ผ่านมาแล้วเนะ i, ี่ยนะเราเราเรียนมาแล้ววันนั้นนะทีนี้พวกยนะยุทธมะยุทธเนี่ยเป็นใครพี่น้องครับยนะยุทธมะยุทธเนี่ยเป็นลูกของในตัสซทธิ์อธิบายว่าเป็นพี่น้องกันสองคนอีกคนชื่อยะยุทธและอีกคนชื่อมะยุทธ ภูมาวลาดาสองคนนั้นเป็นลูกชายของท่านยาฟิสยาฟิสเนี่ยเป็นลูกชายของนบีนัวที่ไม่ตายหลังจากที่น้ําท่วมเสร็จแล้วสมัยนบีนวัวนั่าท่วมใช่ไหมละ่ะคนที่ไม่ขึ้นเรือน่ะตายหมดใช่ไหมลูกนบีนัวก็มีด้วยแต่อีที่อีหมานต่ออัลลอฮ์ก็มีใช่ไหมไอ้คนที่อีหมานต่อ อ, อ, อนนัลลอฮ์นะครับก็มีลูกนะชื่อยาฟิส ยาฟิสเนี่ยมีลูกชายสองคนอีกคนหนึ่งชื่อยะยูดนี่อุลามะเขาแนะนํำมาไว้นนะอีกคนหนึ่งชื่อยะยูดและอีกคนหนึ่งชื่อมะยูดลูกชายสองคนนี้นะครับเป็นหลานอบดุนุ่งก่อนแล้วกันนะคนสองคนเนี่ยจะต้องออกมาออกมาเสร็จแล้วเนี่ยจะออกเมื่อไรไม่มีใครรู้อัลลอฮ์รู้องค์เดียวแต่มันก็ขุดขุดอะไรเนี่ยขุดรู้ทุกวันนะั่น ขุดภูเขาทุกวันต้องการที่จะมาเนี่ยสร้างความถ้ามันออกมานะมาสร้างความปั่นป่วนเดินร้อนกับโลกไปนี้อย่างมากเลยแต่เราอ่านแล้ก็ให้ให้อะไรนะให้หินที่มันเจาะรูทุกวันน่ะเปิดมันขุดไปถึงตอนเย็นถ้าจะขุดต่อพวกนี้ก็ขุดได้อลลอฮฺให้เต็มเหมือนเดิมพอขุดไปขุดไปเหนื่อยหมดเวลานอนแล้วก็หินก็เต็มมาเหมือนก็ขุดมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะขุดเสร็จได้เมื่อไรแต่กูอ่านอธิบายว่าฟุติหัต วันหนึ่งเนี่ยประตูหรือว่าที่สิ่งที่เขาขูดไว้เนี่ยจะต้องพังพอพังเสร็จแล้วใครออกมานะยะยุทธกับมะยุดธออกมามีวันหนึ่งนะครับท่านนาบีเนอนอนอยู่ที่บ้านอบีฮุฮุไรรย ร, รับัลลอฮุอันดูได้รายงานบอกว่าอันไซ น, นิบไซนับบินตุยฮ์ชินกาลต์ ก, การะศาฮุลลอห์านาอิมันฟีบายตี ท่านนาบีเนี่ยนอนอยู่ที่บ้านไซนับบินตือนย่า์นอนที่บ้านของฉันฟัสไตกรอเมื่อ น, นบีตื่นขึ้นมาตาของนบีนี่น่แดงอัลลอฮ์ เ, าาเขามองภาพนาบีแล้วก็เล่าให้พวกเราฟังวันนี้เพราะนบีตื่นขึ้นมานาบีว่าไงนะละอีละฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องนบีตื่นนอนมาเนี่ยตาแดงว่าไงนะ ลาอิลาห์อินลอละเป็นต้องจําำภาพนี้ไปใช้ด้วยตื่นนอนที่บ้านเราเนี่ยไม่ใช่ตื่นภาพไอฮาไม่ใช่พอตื่นแล้วก็ลาอิลาห์อิลลอละไปต้องนะน บ, บีพูดบอกว่าซ า, าลาสันซาลาสันมีอยู่สามรายการอันไม่ใช่พูดสามครั้งนะครับซาลาสันลาอิลาห์อิลลอละลาอิลาห์อิลลอละ ละอิละหิละลอพูดสามครั้งนะครับไวลุ ล, ลิลอาดับอ่นานบีพูดบอาว่าความวิบัติความฉิบหายจะเกิดขึ้นกับชาวอารับนาบีพูดสามครั้งนะความวิบัติจะเกิดขึ้นกับชาวอาับมินชัลรินความชั่วปดิกตารบาใกล้เข้ามาแล้วความชั่วนะ่จะเกิดขึ้น ทำทำลายคนอาหรับถ้ากล้าจะเกิดขึ้นแล้วนะหนึ่งก็คือฟูติฮัลเยามินรอดมิยะยูดวะมะยูดกัมแพงที่กั้นพวกยะยูดมะยูดไว้นี่นะกล้าจะแตกแล้วนี่น บ, บีพูดครับแล้วคนที่จะเสียหายก่อนถูกทำลายก่อนนะใครรู้ไหมพี่น้องอาหรับโอ้หน้าคิดมากนะพี่น้องอาหรับจะเริ่ม ถูกทำลายก่อนเพื่อนเลยน บ, บีเตือนนะครับพี่น้องหลังจากนอนตื่นขึ้นมาหน้าแดงแล้วกล่าวว่าลออิลฮะอิลลอรอเลออิลฮะอิลลอรอแล้วก็พูดแล้วก็แล้ ว, ลวเขาก็มาเล่าแรงงานให้เราฟังว่าน บ, บีพูดว่าพี่น้องชาวอาหรับเนี่ยจะถูกอะไรนะจะถูกความชั่วในครอบงมพวกเขาไวรุนเลืออาหรับความวิบัตินะครับจะเกิดขึ้นกับอาหรับ ความชั่วจะเกิดขึ้นและก็ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือกำแพงแตกนะครับอยะยุทธมะยุทธก็จะออกมานะครับอ่ะทีนี้ยะยุทธออกมานี่นะนั่นเป็นเครื่องหมายของวันอะไรวันเตียามอาอะยะยุทธมะยุทธออกมาเมื่อไร่เป็นสัญญาณเป็นอาลามยามยามมเตียมานะครับ เป็นสัญญาณวัน قيامة ท่านนบีสอย่างี้นะครับอันฮุดัยฟะรดิยัลลอฮุนหอันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกลาอินนฮลาตะคมะฮัตตาตรานะคับลาฮะอาอายตินวัน قيامة จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าท่านจะได้เห็นสิบรายการนะครับ วันเกียร์มาจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าท่านพี่น้องทั้งหลายที่อยู่บนโลกนี้เห็นสิบรายการถึงจะเกิดวันเกียร์มานี่ข้ามอธิบายตัสิทธอาย่ยานี้นะหนึ่งอันดุคอนมีควันพี่น้องนึกเองผมก็อธิบายไม่ถูกว่าควันอะไรนะก็เชื่อตามนาบีว่าจะมีควันออกมาพูดถึงเรื่องควันนี่นะมันก็ออกมาจากประเทศอินโดนีเซียบ่อยมากตัวเนี้ย ควันออกมาจากมาไรเข้ามาถึงประเทศไทยเข้ามาถึงมาเลเซียเข้ามาถึงสิงค โ, โปร์เห็นไหมควันนะนะครับดูคอนบอกว่าควันเราไม่รู้ว่าควันอะไรนบีพูดไปว่าจะมีควันออกมาก่อนข้อที่สองมีดัจจานอัลลอ์ดัจจานนี่ตัวแสบละ่ะสร้างความเดือดร้อนปันป่นปวนบนโลกใบนี้ก็จะออกมาอันที่สามดาบะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่ง ที่อัลลอฮ์จะให้ออกมารู้ไหมมันเกิดตรงไหนเกิดระหว่างกะบากับทางสแสเนี่ยทางแสกับกะบาเนี่ยมันห่างกันไม่เท่าไหร่เมันกลับมาจากอุมรอเนียังเห็นภาพอยู่เนี่ยไหมสัตว์มันจะโผล่ตรงนี้พอโผล่ขึ้นมาเราจะวิ่งไปทั่วโลกไปประทับตาหน้าผากมุสลิมกาเฟสมุสลิมกาเฟสมุสลิมกาเฟสเฟบ้านเดียวกันมีสองศาสนาผัวเป็นมุสลิมเมียเป็นแขก์ไอ้เมียเป็นพุทธอยู่บ้านเดียวกันจะประทับตาที่หน้าผากหมดเลย นะครับข้อที่สี่นะครับตูล mm ูเออชัมมินมากรีบีฮาดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกนี่เป็นสัญญาณอารามาตัตวันเกียร์มะเกิดใกล้เกิดกามาแล้วก่อนี้ก็ต้องรอนะใครที่จะเต่าบ้าตัวจะเรียนอีมานจะเรียนศาสนาหลังจากดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศ ต, ตะวันตกหมดสิทธิ์เอาล้อไม่รับแล้วโอโหลนะ่ากลัวมากนะครับเป็นห่วงลูกหลานเราไอเราเนะี่ยปลอดภยัยเราวันนี้แต่ลูกเราล่ะหลานเราล่ะ มันจะไม่เอาศาสนาในพี่น้องพราะไม่เอาศาสนามันเข้าสังคมได้ถ้าเอาศาสนามันอก็ปีกตัวมาอยู่มัสยิดตกมามัสยิดต้องถือบวชแล้วคนไม่เอาศาสนามันเยอะอนะครับแค่ซอยๆมันเล้าในกลางคือมันทะเลาะกันต่อยกันตีกันใช่ไหมอัลลอฮฺอักบัดเต็มไปหมดข้อที่ห้านูซูไลซาอิบหนุมาติยามนบีอีซาจะลงมาอีกครั้งหนึ่งอัลลอฮฺอักบัดข้อที่หกยะจูดมาจูดจะออกมา อาฉะนั้นยะยูดมายูดที่กำลังอ่านกลุ่อ่านอยู่ขนะ น, นี้ต้องการจะเตือนพวกเราว่าโลกใบนี้ใกล้จะถึงวันเกียรมากแล้วข้อที่เจ็ดจะมีนั่นน่ะสุริยคดจะมีสุริยคดนะครับสามครั้งสุริยคาตที่ไหนนะที่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกและที่กลุ่มอารับ มีอยู่สามครั้งนะครับจะมีมืดมืดมืดมืดมืดนะสามครั้งหนึ่งตะวันออกตะวันตกแล้วก็กลุ่มอารับทั้งหมดนะครับนั่นแหละเป็นเครื่องหมายวันเตียมาข้อที่สิบนะครับพี่น้องนารุนตะครูดูมินัลยามันตะตุรูดุน่าซาอิลามะฮ์เซริฮิมจะมีไฟลุกที่ประเทศเยเมนจะมีไฟลุกที่ประเทศเยเมนแล้วก็จะไล่ประชาชนมาที่ทุ่งมัชชัต ตอนนี้ก็ซาดิอาร์เบียเนี่ยเอาเครื่องบินไปทิ้งเมื่อสองสามเดือนที่แล้วน่ะหกพันเที่ยวหกพันเที่ยวไม่รู้ไปทิ้งที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่าลูกระเบิดหมดไปแล้วนะหกพันเที่ยวหมดแล้วก็ต้องซื้อจากอเมริกาใหม่อามซา ส, สมาร์ไว้เป็นแผนทําลายหรือเป ล, ล่าวอลล์อังรัมเราเราไม่รู้นะครับสิบสประการนี้เป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าอาลามาตุสซา เครื่องหมายวันเกียรมาสิ่งศิลปะการนี้เกิดเมื่อไร่หลังจากนี้ก็จะเป็นวันเกียรมาทันทีนะครับจากนั้นพวกเราอยากให้วันเกียร์มามาเลยนะพี่น้องเพราะวันเกียรมานานมาแบบกระทันหันปุ๊บปั๊บปุ๊บพับกลับเนื้อกลับตัวไม่ทันน บ, บีพูดไงรู้ไหมคนที่กําลังพับผ้าเนี่ยใส่ห่อเนี่ยให้ลูกค้านี่นะ ย, ยังไม่ทันพับนะกียร์มามาเลยแล้วกียรมานี่มาวันไหนพี่น้องสังเกตไหม น บ, บีสวงนะวันอะไรครับวันศุกร์ท่านพวกเรานะถน่ท่านนั่งอยู่ในมัสยิดก็ปลอดภยัยอ่ะใอยู่ในบ้าก็เรียบร้อยพี่น้องเ <c oughs> อาต่อมาอายาที่97นะครับหัวกตารบัลวะดุลฮักา إ ذ ا هي شاخصة أبصار الذين ك ف ر ร ا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وقترب الوعد الحق فإذا هي ش خ ص ة ت أبصر الذين كفروا. ياويلنا قد كن في غفلة من هذا بل كن ظالمين الحمد لله อัลลอห์เล่าเรื่องสภาพกายวันเกียรมาจะมาถึงพุน้องเป็นยังไงครับมาดูนะ وقتربل وعد الحقوعد ูเป็นว่าสัญญา อัลวาดูแปลว่าคําสัญญาอิกรตารบะแปลว่าใกล้เข้ามาแล้วอัลฮักกุความจริงสัญญาที่อัลลอฮฺบอกว่าวันเกียร์มาจะมานะ่ะเป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องไม่จริงวันเกียร์มานะ่ะมาจริงจรงพี่น้องฉะนั้นนะมุมินเนี่ยหนึ่งอีมานตอลอดและอีมานต่อวันสิ้นโลกเนี่ยอยู่ในใจตลอดเวลาครับมุมินต้องนึกฉันอีมานต่อลอดและอีมานต่อวันสิ้นโลก อิมานตะวันวายามันกิยามะใชวันกิยามะไม่มีไปน้องนั่นมาใช่มุหมินนะครับอิกตารบะใกล้เข้ามาแล้วสัญญานะครับที่อัลลอฮฺสัญญาไว้วันกิยามะจะมาะเป็นความจริงและใกล้ามาแล้วตอนนี้น่ะใกล้นะครับไปน้องตั้งแต่นบีเสียชีวิตน่ะนั่นแหละใกล้ามาตลอดมาถึงวันนี้ไปน้องต่อมาครับ เมื่อวันเกียร์มากใกล้เข้ามาหรือวันเกียร์มากใกล้จะมาถึงเป็นไงครับเห็นสภาพพี่น้องมองคุณนะฟาอิซาฮิยาชาคีสตุนอบซอรุลลาดินกะฟาลูศัพท์นะครับอบซอสแปลว่าสายตาท่านพี่น้องจะได้เห็นสายตาของผู้ปฏิเบบสธอบซอรุลลาดินนกะฟาลูสายตาของผู้ปฏิเสธ ตาของผู้ปฏิเสธคนที่ไม่เอาศาสนาเป็นยังไงครับชาคลีซอตุลจ้องโผล่ตาเหลือกแค่เห็นภาพวันเกียร์มากท่า น, นั้นแหละครับพี่น้องคนที่ตาเหลือกตาโผล่จ้องตาข้างทําอะไรไม่ถูกนะใครพี่น้องครับคนที่ปฏิเสธอิสลามคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่รู้จักรอซูลตาจะจ้องโผล่ นี่อัลลอฮ์เล่าแล้วก็โลกจะต้องเดินไปสภาพที่อัลลอ์เล่าในกะปีปะครุรานฉะนั้นพี่น้องสังเกตนะเมื่อวันเกียรมาใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยคนที่ปฏิเสธอิสลามคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์คนที่ไม่เอ า, Allah, เอารอซูลตาของเขาจะจ้องโผล่ตาเหลือกครับชาคิสอบใหว่าตาเหลือกตาเหลือกอย่างเดียวไม่พ อ, อยังพูดอีก ยาวัยลนานิ่งภาษาที่คนไม่เอาศาสนานก็ต้องพูดในวันแต่วันนั้นว่าไงครับความวิบัติแก่เราเ อ, อ่ยเวลวัยลุนแปลว่าความวิบัตินาย่อื่นเอาไปใช้วัยลุลินมูโตฟฟีฟีความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นนักค้านักขายแล้วก็ชอบโกงตาช่างวัยลุนเหมือนกันวัยลุนลิคุลลิฮูมาซาติน ล, ลูมาซา คนที่เ น, นทาคนใส่ร้ายคนอิจฉาคนอะไรคนนี่นะครับเวน้นได้รับการฉิบหายหมดไว้รุนเนี่ยถ้าไปเปิดดูในกุณอาณ่านมีอยู่หลายสิบครั้งนะคนที่ช่างตวงเป็นพ่อค้าแม่ค้าโกงจะช่างถูกคนไม่เอาศาสนาถูกคนที่อาบน้ํำนามาแล้วก็อาบน้ํำนามาล้างตาตุ่มไม่ทั่วถูกอกีกไว้รุนอกีกในฮะดิษมีอธิบายไว้เยอะ ท่านคําว่าไวรุ่นอย่างเดียวแปลว่าความวิบัติความฉิบหายจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่เอาศาสนาวันเกียร์ามามาเมลัยนะเขาจะร้องทันทีโออย่าร อ, าอฉันสู้ไม่ไหวแล้วฉันฉิบหายแล้วฉันแย่แ yeah, ล้วพี่น้องทั้งหลายนี่เอาล่อเล่าให้ฟังแล้วจริงไหมจริงครับเดี๋ยวไม่ชาจะเห็นนะเอาแล้วก็พูดว่างไงนะ ก็ด็กคุณฟิกลฟลาทิมมินฮาซาคุณแปลว่าเราได้อยู่กอฟลาแปลว่าเฉยเมยกอฟลาแปลว่างมงายหันหลังเฉยเมยเฉยเมยในเรื่องวันสิ้นโลกเราไม่เคยสนใจไม่เคยนึกว่าวันเกี่ยวมาจะเกิดไปต้องคนที่คิดแบบนี้เนี่ยเอาวันนั้นนัด ตาจะจ้องโพล่พี่น้องตาเลือกแล้วก็พูดว่าไงนะยาไว้แลนาเราบรลัยแล้วเราวิบัติแล้วเราฉิบหายแล้วกุนนาฟีกวัฟลาตินเราเฉยเมยเราไม่สนใจเรางมงายเราโงา่เราไม่เคยเรียนรู้เรื่องอิสลามจากพี่น้องมุสลิมพี่น้องครับ ยังไม่พออีกครับพี่น้องบัลกุนกอลิมพูดต่อไปอีกประโยคที่สามเราเป็นผู้ประพฤติชั่วเราเป็นคนประพฤติมิชอบเราเป็นคนซ้อเลมเราเป็นคนอาธรรมพูดสามคำยาไวลานาคาที่สองกุนนาฟรรีก็ลอันที่สามกุนนาโซลิมเราเป็นคนอาธรรมเราเป็นคนเฉยเมยเราเป็นคนที่พบกับความวิบัติแล้วเพราะตาเหลือกนะพี่น้อง พอตาเหลือกภาพผู้สารประโยคทีนี้มาดูคำว่ากอฟลามาดูคำว่ากอฟลาใ น, นกัมภีรุอ่านผมเช็คกุรอ่านเมื่อคืนนี่พี่น้องมีทั้งหมดเนี่ยหลายสิบครั้งจะนำอามาแค่สี่ครั้งพอในสุรอ า, อารอบอายาที่หนึ่งร้อยสามส่บหกพูดถึงเรื่องกอฟละว่า และอักว่าอ غرقناهم ในยาม์ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين เราได้ให้พวกฟาโรและทหารฟาโรในประมาณ7แสนคนจมน้ำในทะเลจมทะเลตายเพราะอะไรครับเพราะปฏิเสธคำสอนของนบีมูซาที่พาอิสลามมาให้ พวกเขาปฏิเสธว่ากานูอันฮารอปีนแล้วพวกเขาเป็นผู้เฉยเมยต่อคําสอนของนบีมูซาแต่ท่านฟาโรห์ที่จมหน้าตานะควอฟลานะเพราะอะไรนะเพราะเฉยเมยไม่สนใจงมงายหันหลังให้หันหลังให้กับรซูลพวกเขาเปรียบเสมือนสัตว์อานามและผ่า ป, ปสุสัตว์บัลฮุมอลัลอนเขาเลวหลงยิ่งกว่าสัตว์ซะอีกอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พูดนิ่มนิ่มนะ คนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาสุนนะนบีไม่เอาคุรามนมาเป็นทางนำสำหรับชีวิตเขาเหล่านั้นกนลนาน่าเหมือนสัตว์บัลฮุมอัลลอจะเลวหลงยิ่งกว่าสัตว์อีกเพราะอะไรครับเพราะหันหลังให้กับคำสอนของอัลลอฮฺผ่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺลย์อัลสลัมโอ้โหนี่อา่ า, อานนะอ่ า, อานอ่านจากคุรานสหลายอายะมาผสมกันสรุป คนที่หันหลังให้อัลลอฮ์ได้ชื่อกาเฟตกับมุสริกอห้เป็นต้องจำให้ดีนะคนที่หันหลังให้อัลลอฮ์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ได้ชื่อว่าเป็นอะไรนะเป็นคนกาเฟตหรือคนมุสริกสองถ้าหันหลังให้กับนบีมุฮัมมัดไม่เอาซุนัขนบีมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ชื่อว่าเป็นยาฮูดีก็ได้นซอรอก็ได้เป็นยิวก็ได้เป็นคริสตก็ได้ แต่เป็นอะไรครับเป็นบินอาก็ได้อาจจะเป็นชีอาด้วยก็ได้ท่า น, นคนที่หันหลังให้กับนบีป้าพี่น้องจบเลยท่านายาฮูดีินะม า, มาเรียนรู้เรื่องสุนนะนบีมารับว่านาบีมุฮัมหมัดเป็นนบีคนสุดท้ายครับก็เป็นมุสลิมนัสซรอก็เหมือนกันพี่น้องชาวคริสต์นะถ้าเชื่อว่ามูฮัมหมัดเป็นรัวสูงของอัลลอฮ์ก็เป็นมุสลิ ม, มพี่นอ้น อ, นน อ, ง Allah, นนองบินอาที่ทําอะไรบินอาเนะ่ยเพราะไม่เอาสุนนะนบีมาใชา้ได้ชื่อว่าเป็นบินอา ถ้าทิ้งบินอามาเรียนสุนนะนบีก็กลายเป็นสุนนะทันทีฉะนั้นหันหลังให้อัลลอฮ์มีคนสองกลุ่มใหญ่ๆคนกาเฟตกับคนมุสริกหันหลังให้สุนนะนบีเป็นสี่ห้ากลุ่มนะเนืองยฮูดีนอสรลนีบิดอาชีอาเขาวรดิเต็มไปหมดครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นคนที่ปลอดภัยก็คือคนที่ยึดกุลแอลและยึดสุนนะของท่านนาบีเท่านั้นถึงจะปลอดภัยในโลกอาคีระอกนะครับพี่น้อง Atau Mak ayat yang 98. i n n a k u m wa ma ta'budun min dunillah, hasabu jahanam antum laharidun. i n n a k u m wa ma ta'budun min dunillah. Inakum ฮาซาบุจหันนำ .antumlahwaridun.Allahu akbar.Nazilah. คำแปลครับอินนักุมแปลว่าแท้จริงพวกท่านมันจะไม่ใช่พวกเรานะคําว่าพวกท่านหมายถึงคนที่เป็นมุสลิกคนที่เป็นกาเฟสหันหลังให้อัลลอฮ์อ่า หรือจะเป็นพวกที่หารหลังให้กับนบีมีอะไรนะฮูดีนอสรลณีบิดอาอรากา็ตามแต่นะครับอินนกุมคนเหล่านั้นเนี่ยวามาตะบูดูนรวมทั้งที่พวกเขาสักการะบูชาอัลล์ตัวของท่านกับสิ่งที่ท่านบูชานี่เล่าให้ท่านพี่น้องฟังคนที่อ่านกุณอ่านฟังบอกว่า คนที่ไปบูชารูปเจเวตและตัวรูปเจเวตเองเป็นยังไงครับที่ไปบูชามินดูนิลละอื่นจาก AH. าอัลลอฮ์ฮัสซบบูญจะฮันนำฮัสซับแปลว่าเชื้อเพลิงฮัสซบุญแปลว่าเชื้อเพลิงจะฮันนำแปลว่าไฟนรกคนที่บูชารูปเจเวต รวมไปถึงรูปเจวเวทที่เขาบูชาสองรายการนี้เป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกนี่อัลลอฮ์ต้องการจะอธิบายว่าใครก็ตามถ้าไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งผู้เคารพและสิ่งที่เขาเคารพนั้นเป็นเชื้อเพลิงของไฟนรกต่อมาครับ อันตุมลาวาลีดูพวกท่านจะเป็นผู้เข้าไปอยู่ไหนวาริสปลว่าเข้าไปอยู่ในนรกพออาย่ญญานี้ลงมาพี่น้องพอท่านนาบีอ่านให้ประชาชนฟังคนที่โกรธมีไหมมีครับเขาเรียกว่าอัสบาบุนูซูลคนที่โกรธมากนะเมื่ออาย่ญญานี้ประทานลงมาพอพออับดุลอ่านปั๊บเนี่ยคนที่โกรธคนมุชริศคนกาเฟต คนมุสลิมกินี่โกรธมากว่านี่มันดูถูกกันถ้าไม่เอากระยาหลบอย่าได้นะอย่าหนะลบลูใช่ไหมภาษาไทยคนพูดๆใช่ไหมอย่าหลบลูอาญานี่มันหลบลูเนี่ย <c oughs> สมัยนบีนะครับคนมุสลิมกินกาเฟรินเนี่ยไม่พอใจโมโหท่านนาบีมูฮัมหมัดมากเลยทําไมก็ต้องมหลบลูกันทําไมนี่เป็นการดูถูกสิ่งที่เรากราบอยู่ อัลลอฮ์เป็น้องครับแล้วก็คนมุชลิกินอาดับที่เป็นกูเรชเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าญาตินบีทั้งหมดนั่นแหละรวมตัวกันไปหาใครรู้ไหมไปที่ไปหาอุลมามะยะฮูดีและอาลิมของพวกคริสเตียนเดินไปหาอาลิมของคนคริสเตียนไปหาอาลิมของคนยิวหัวหน้าของคนยิวเนี่ยชื่ออิบนู อะไรนะชื่ออิบนาซับอาลีอ่าเป็นเป็นอาลลมของอาลิลกิตาบชื่ออะไรนะอิบนาะซาบอาลีเป็นอาเลมของชาวอาลิลกิตาบคนเชา้ายูและชาวชาวคริสในเป็น้องพวกมุชลิีเดินไปหาเขาที่บ้านแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยมุฮัมมัดนี่กกำลังดูถูกสิ่งที่เรากราบอยู่ ท่านจะว่าอย่างไงแล้วก็อิฟนัวคนนี้บอกว่าโอ้จะหาฉันอยู่ต่อหน้านะฉันจะโต้อตอบนบีเองฉันจะแก้เองแล้วก็คนอาหรับมุสลิกีที่เป็นพวกกูเรสเนี่ยเป็นหัวหน้าที่เป็นญาตินบีว่าคุณจะแก้อย่างไงเล่ากันฟังสิชายคนนี้ก็พูดว่าฉันจะแก้ว่าอย่างนี้นบีอีซาเนี่ยพวกคริสเตียนกราบ นบีมูซาเนี่ยพวกยิวกราบนาบีมูซาพวกคริสเตียนกราบนาบีอีซาสองคนนี้จะตกนรกด้วยหรืออ๋อพอเสนอคําตอบแบบนี้ปั๊บพี่น้องกาเฟตกุเรชที่ไปหาหัวหน้ายิวเนี่ยดีใจอ๋อเรามีคําตอบแล้วนบีตอบไม่ได้แน่งานนี้พอเสนอว่าแต่หากสิ่งที่เรากราบบูชาจะต้องตกนรก ถ้าอย่างนั้นนบีอีสาก็าตกนรกนบีมูซาก็าตกนรกด้วยกันนั้นหรืออัลลอฮ์ดีใจกันใหญ่เลยฉันจะไปหานาบีอุมัดจะไปแก้แล้วระหว่างที่เจราจากันอยู่อัลลอฮ์ประทานอั้นกรัอ่านโลมาให้นบีก่อนบอกว่าถ้าคนเหล่านี้มาหาท่านมาพูดว่านาบีอีซากับนบีมูซาเนี่ยเป็นชาแนรกหรือเปล่าเพราะคนสองกลุ่มกําลังบูชาอยู่วันนี้นะ่ะคาตอบก็คือ นบีมูซากับนบีอิสาไม่ตกนรกคนที่กราบตกอะไรนะตกระยองตกนรกคนที่เอาเชือกเขียวเขียวข า, ขาวขาวมาผูกที่ข้อมือหวังว่าไอ้สิ่งนี้มันช่วยได้ตกนรกฉะนั้นถ้าไม่กราบเอาล้อองค์เดียวนะครับตกนรกหมดเลยครันนี้เตือนเรื่องอัลกีดะนะครับเรื่องเรื่องเรื่องความเชื่อนะครับพี่นอ้องทั้งหลายอ้าพี่น้องครับต่อมาอายาสุดท้ายจบนะครับพี่น้องทั้งหลายเก้าสิบเก้า แล้วแกนหาอุล um ัยอัลีฮะตัมมะวรดูฮะวะกุลลุมฟีฮะขอลิดูนแล้วแกนหาอุลัอัลีตัมมะวรด ว่าคนฝีฮาข้าลดูอัลฮัมดุลิลลาฮพี่น้องอัลยานี้ตังการสรุปพระเจ้าที่แท้จริงนะ่ะเป็นใครลาวกาหนาอูดะอีเราแลปลว่าถ้าหากฮาอูลารูปเจ้าเวตเหล่านั้นอาลีฮะเป็นพระเจ้านี่อัลลอฮฺ ประธานให้เราอ่านคุณอานให้คิดถ้าหากรูปเจวเวทที่คนกาเฟสกาบคนมุสริมกาบเป็นพระเจ้าจริงๆมาว่ราดูฮามาว่ราดูฮะจะไม่มันจะไม่เข้าในนรกถ้าหากพระเจ้ารูปเจวเวทที่เขาบูชาอยู่เป็นพระเจ้าจริงๆนะ มันจะไม่ถูกลงในนรกหรอกนี่อัลลออธิบายให้ฟังอธิบายยังไงครับรูปเจเวททำไมต้องตกนรกเพราะตัวเองยับยังตัวเองไม่ให้ตกนรกไม่ได้แล้วก็ห้ามคนอื่นไม่ให้ตกนรกก็ไม่ได้ฉะนั้นถ้าเป็นพระเจ้าจริงต้องไม่ทำให้คนตกนรกและตัวเองก็ไม่ตกนรกตอนการจะอธิบายอย่างนี้พี่น้องครับพระเจ้าจริงๆเนี่ย ต้องมีสิ่งัแบบนี้สร้าง8ดรายการถึงจะเป็นพระเจ้าได้พระเจ้าตัวจริงนะพระเจ้าตัวจริงต้องสร้างหนึ่งสร้างดวงอาทิตย์ได้สองสร้างดวงจันทร์สสร้างกลางคืนสสร้างกลางวันหสร้างชั้นฟ้าหสร้างแผ่นดินเจสร้างมนุษย์8สร้าง สัตว์ทั้งหลายสุรนไครับวัชมิวุพาวักมรีอิ่าตาลาวันนฮารอิาจัลลาวัไลลอิายกาวัมาอิวะมาบานาวันอรีวะมาตฮาวนัฟซิงวะมาซาังครับนี่ไงขยนนี้นะต้องการจะบอกว่า แปดรายการหรือเจ็ดรายการที่อัลลอฮ์สร้างมานั้นนี่คือพระเจ้าตัวจริงฉะนั้นถ้าพระเจ้าไม่จริงนะต้งนรกหมดพระเจ้าจริงต้องมีแปดรายการสร้างแปดรายการนี่ได้อัลลอฮ์เป็นน้องสร้างดูว่าที่ใครสร้างได้สร้างตรงจันทลองดูซิอัลลอฮ์นี่คิ้วหลุดนี่เป็นน้องต่อ ย, ยังต่อไม่ได้เลยอื้อหัอหวกบัตพี่น้องฉะนั้นใครที่จะเป็นพระเจ้านะต้องสร้าง แปดราการนี้ได้อัลลอฮฺอักุบัต์ฉะนั้นสรุปจากอญญาย่นี้ก็คือถ้าเป็นพระเจ้าจริงจะต้องห้ามไม่ให้ผู้บูชาตกนรกถ้าสิ่งที่มนุษย์กราบเนี่ยเป็นพระเจ้าจริงต้องห้ามไม่ให้คนตกนรกได้ฉะนัานเพรอน้องครับอย่าไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺเพรอน้องตัวตะเกียวก็ไม่ต้องไปตัวระยองก็ไม่ต้องไปโต๊ะนุงโต๊ะอะไรไม่สําคัญในโลกนี้ผีสางเทวดาที่ไหนไม่มีนะครับเน้อง นอกจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นแลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดฉะนั้นในบ้านต้องคุยเรื่องอัลลอ์และรอซูลเยอะๆพี่น้องอย่าทำอย่างนี้นะอัลลอฮ์ไม่ชอบนะอย่าทำแบบนี้นะขัดสุนนะนาบีนะพี่น้องต้องพูดนะอาตอมาครับว่ากุลลุนฟีฮาฮอลิดูนกุลลุนแปลว่าทั้งหมดทั้งคนกราบแล้วก็สิ่งที่ถูกกราบ ทั้งหมดอยู่ที่ไหนครับคอลีดูลเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดการอยู่ในนรกตลอดกาลไปน้องนาอุบินลาฮิมินซาลิกทรุลวงว่าในอาคีรอ น, นมีอยู่สองที่ไปน้องในสวรรค์กับในนรกเท่านั้นแหละไม่นรกก็สวรรค์สที่ไปน้องครับไม่มีที่ทอื่นฉะนั้นถ้าหากไม่เอาศาสนาโอกาสตกนรกถ้าเอาศาสนาโอกาสเข้าสวรรค์มากกว่าการไปนรกตัวใหสรุป สรุปไปทอนหลายนะครับวันเกียรมใกล้มาถึงนะจะเห็นคนที่ไม่เอาศาสนาที่หันหลังให้อลลอฮ์ให้รอซูลสายตาเป็นไงครับจ้องโผลงแล้วก็พูดว่าไงนะยาไวรนาะความวิบัติแก่เราเอย๋ยกอดกุนารอฟิลนะีเราพ่อเราเฉยเมยหันหลังให้กับศาสนายังไม่พอกุนารอลิมีเราเป็นผู้ประพฤติชั่วครับไปน้อง จานั้นพอวันเกีย ม, มามานะครับคนกาเฟตพูดสามสามประโยคยาไวลานาคุณนาฟีรอฟลาคุณนาโซลิมินพูดสามประโยคทั้งวันทั้งคืนไปน้องพูดอยู่นี้แหละนะว่าไงนะยาไวลานาคุณนาฟีรอฟลาคุณนาโซลิมินยาไวลานากุณนาฟีรอฟละคุณนาโซลิมิน พูดยำไปยำมาเป็นการบนนะไม่น่าเลยฉันไม่น่าจะเป็นคนหลงละเมอเป็นคนเฉยเมอตัวอิสลามเป็นน้องครับแค่นอนอยู่ในกูโบกณะนี้คนที่ไม่เอาศาสนาบนนะเป็น้องนะรูบามายาวัดดุลลาซินักฟารูลาห์กาโนมุสลิมินคนคาเฟ่นอนอยู่ในกูโบบนทุกวันว่าอัลลอ์ถ้ารู้อย่างนี้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีแต่นี่พวกเราเป็นมุสลิมแล้วเป็นน้องครับ เราก็ต้องช่วยเผยแผ่อิสลามนะนะครับช่วยกันเผยแผ่อิสลามให้คนที่ไม่รู้จักอิสลามได้รู้จักอิสลามนะครับเพื่น้องดูตัวเองตัวเองให้ดีก่อนนะบุญยาขาดนะนามายาขาดนะแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวจะ ด, ดูแลคนอื่นด้วยนะครับสุภานะกอุมาบฮมดิกาชลลยิลอิลอันตอัสตลกวะตบลกสลามุอะลัยกุมะะห์มะตุลลอฮ์วะบระก